พระอระหันต์วาจาสิทธิผมได้กราบเรียนหลวงตาว่าบรรดาสิทธิ์ทั้งหลายมีความภูมิใจที่มีท่านพ่อและขอกราบเรียนว่าท่านพ่อเป็นพระอระหันต์ที่มีวาจาสิทธิ์ท่านหันกลับมาและกล่าวว่าเรายอมรับว่าเราเป็นพระอระหันต์คือหันซ้ายและหันขวานี่นี่หันอย่างนี้ พร้อมกับแสดงท่าให้ผมดูนี่หันซ้ายหันขวาท่านยิ้มให้พวกเราพร้อมกับพูดว่าเข้าใจไ้ยล่ะสิ่งที่ผมพบยังมีอีกมากมายผมมีความสุขมากที่สุดที่มีโอกาสได้กราบหลวงตาได้มองท่านไม่ว่าจะอยู่ไกลขนาดไหนก็ตามเพราะท่านคือพระอระหันต์วาจาสิทธิ์ที่พวกเราได้สัมผัสและกราบได้โดยสนิทใจ มาเถอะครับมาเข้าวัดกันเถอะมากราบท่านแม้เพียงสักครั้งเดียวในชีวิตเรามีกลองใบใหญ่ที่สามารถตีให้ดังไปถึงสามแดนโลกธาตุได้ทั้งนรกมนุษย์และสวรรค์อย่าช้าอยู่เลยครับมาเถอะมากราบและร่วมบุญกับท่านมากบ้างน้อยบ้างตามกําลังของแต่ละคนที่สําคัญเอาใจมาด้วยบุญอยู่ที่ใจครับมาเป็นพี่เป็นน้องกันนะครับเรามีพ่อแม่ครูอาจารย์องค์เดียวกัน หลวงตามหาบัวยังไงละครับพบกันใหม่ในหลวงตาวัดป่าบ้านตาดเล่มสามครับ โดยคุณหลวงเสียงอ่านโดยโจยโฉเรื่ความจริงที่เป็นทุกการได้มาพระเธอจะด้จะดีมันอยู่ที่ตัวเธอนั้นเองอย่าให้ลองดูเรื่องกันคือการประทังข้างเธอในคิดในใจอาจคอยส่ง ส่งผลของกันไปทำอะไรทำดีหรือร้ายคนคือกันแดวงละดาวจะไม่่าแสงแม้วันนี้จะอ่อนแรงกทำดี ให้มั่นใจว่าสิ่งที่เจอมีเหตุมีผลให้ยิ้มและสู้อดทนไม่นานเรื่องร้ายจะผ่านไปแค่เพีทําททดี